เออตอนนี้เราศึกษาในเรื่องของเวทนากันนะในบาลีที่บอกว่ากระชันจากปณะพิเกเวพิขุเวทนาสุเวทนานุปาศสีวิหารตีนะดูกรพิสูจน์ทั้งหลายพิกษุชื่อว่ามีปกติเห็นเวทนาพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองๆอยู่อย่างไรเราดูกรพิสูจน์ทั้งหลายพิกษุในประธรมวินัยเนี่นะกําลังเสวยสุขเวทนา อยู่ก็รู้ชัดว่าเราสสเวาสวยทุกเวทนากําลังเสวยทุกเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราสวยทุกเวทนาเป็นต้นแล้วเนี้ยนะกำลังเสวยอะทุกกรร ม, มสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่ากําลังเสวยอะทุกขเวทนาอยู่เป็นต้นแล้วเนี่ยตรงนี้ก็คือพูดถึงในเรื่องของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเราก็ศึกษากันมามาพอสมควร ในเวทนาทุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยมีทั้งเวทนาในชั้นของอรหัตถาที่เราศึกษากันเนาะภิกษุนในพระธรรมวินัยนิสเวสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาอยู่เสวยทุกขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาอยู่เสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดตัวเราเสวยทุกขมสุขเวทนาอยู่สุขขังเวทนาเนี่ยเมื่อเสวยสุขเวทนาที่เป็นไปทางกาย หรือเป็นปทางจิตย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาเป็นต้นตัว น, นี้ท่านก็เปรียบเส ม, มือนทารกทั้งหลายนะผู้ยังนอนหงายอยู่ในเวลาดื่มนมเป็นต้นการรู้ในลักษณะอย่างนั้นท่านบอกไม่ใช่นะท่านบอกว่าทารกทั้งหลายที่นอนหงายสวยสุขในเวลาดื่มนมเป็นต้นก็จริงถึงกข น, นันาดพระผู้มีพระภาค<ม>ก็หาได้ตรัสหมายอาการรู้อย่างนั้นไม่เพราะอะไร เพราะการรู้อย่างนั้นย่อมละความยึดมั่นเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้หรือไม่ได้ไม่ได้ทั้งยังถอนความเห็นผิดว่าเป็นตนคือไม่สามารถจะเพิกถอนความเป็นสัตว์บุคคลได้แล้วก็ไม่จัดเป็นกรรมฐานแล้วก็ไม่จัดว่าเป็นความรู้ของภิกษุที่รู้ถูกต้องด้วยเพราะไม่สามารถที่จะละสัตรูประติธ คำว่าศัตรูพาราธีนี่เขาแปลว่าอะไรสัตรูพาราธีนี่แปลว่าอะไรนะรการเข้าไปยึดมั่นว่าเป็นสัตว์บุคคลออกไม่ได้เนาะถ่ายถอนความสาคัญผิดว่าเป็นตัวเป็นตนก็ไม่ได้ด้วยแต่การรู้ในการที่จะที่ท่านทรงหมายเอานั้นอะ่ะต้องจัดด้วยเป็นการเจริญสติปัฏฐานไดน้นั้นก็ต้องสามารถถ่ายถอนความเห็นที่ผิด ออกได้เป็นต้นท่านก็เลยตั้งประเด็นเป็นปัญหาขึ้นมาเลา ว, ว่าใครเสวยใช่ไหมว่าใครเสวยก็บอกว่าจะมีสัตว์หรือบุคคลลายๆเสวยไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นท่านปฏิเสธอะไรนะ่ประปฏิเสธสัตว์บุคคลในการที่จะเข้าไปเสวยทีนี้การเสวยของใครท่านก็แก้ว่าไม่ใช่เป็นการเสวยของสัตว์หรือไม่ใช่การเสวยของบุคคลทั้งสิน้นปัญหากรรมที่ท่านตั้งขึ้นว่าบอกว่าพา่อะอหตุไรจึงได้เสวยท่านก็แก้ว่า แต่เพราะวัตถุและอารมณ์นั่นเองการเสวยจึงได้เกิดขึ้นทีนี้ภิกษุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเวทนานั่นเองเหนียวเอาวัตถุเหนียวเอาวัตถุคือเหนียวเอาอะไรเหนี่ยวเอาวัตถุนั้นๆให้เป็นอารมณ์ของสุขเวทนาเหนียวเอาวัตถุให้เป็นอารมณ์ของทุกขเวทนาเหนียวเอาวัตถุให้เป็นอารมณ์ของอทุกขมสุขเวทนา คำว่าเหนียวในที่นั้นก็คือการเปรับไปรับให้เป็นอารมณ์แล้วก็เกิดศพ ข, ขึ้นมาเกิดทุกขึ้นมาแล้วก็เกิดอาทุกขามาสุขเวทนาขึ้นมาแท้ที่จริงก็คือเป็นตภาวะของเวทนานั่นเองเป็นผู้คอยไปเหนียวลังเระเหนียวเอาวัตถุให้เป็นอารมณ์เสวยอยู่อย่างเนี้ยเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นผู้วิจัยตัวเวทนาต้องรู้ด้วยว่าเวทนาเนี่ยเขาชอบยิงแอบกาไร ไปน้อมเอาอะไรมาเป็นอารมณ์อันนั้นคือวัตถุของเวทนาเอาวันวันหนึ่งเนี่ยเวทนาเนี่ยเขาเข้าไปน้อมเอาวัตถุนั้นนั้นมาเป็นอารมณ์เยอะใช่ไหมรูปารมณ์ก็เป็นวัตถุของสุขเวทนาได้ทุกขเวทนาแล้วก็ทุกขมสุขเวทนาแล้วเห็นไหมทีนี้พอไปเหนียวเอาวัตถุมีรูปารมณ์เป็นต้นเนี่ยในการที่จะทําให้เกิดสุขบ้างทุกบ้างแล้วก็อทุกขมสุขบ้างเนี่ยใจของสัตว์โลกนั้นก็สําคัญผี่ ด้วยความเห็นผิดมาอย่างยาวไกลในสังสารวัตฏก็เป็นสำคัญว่าเราเป็นผู้เสวยสุขเวทนานั้นเราเป็นผู้เสวยทุกขเวทนานั้นแล้วก็เราเป็นผู้เสวยอทุคมสุขเวทนานั้นความสําคัญผิดในลักษณะอย่างเนี้ยท่านถึงบอกว่าเป็นการที่มนุิยการที่ผิดพลาดันเป็นการมนสิการที่ผิดพล า, เ า, าดาเลย ฉะนั้นเพราะเหตุใดจึงได้เสวยท่านก็เพราะวัตถุละรวมนั่นเองจึงได้เกิดขึ้นนั้นการเหนียวเอาดังที่ได้กล่าวท่านก็เลยมีเรื่องเยอะไหมที่บอกว่าเทล่ทอดถอนใจเพราะเวทนาที่กล้าในเวลาที่ท่านอาพาธดิ้นกลับไปกลับมาที่ท่านยกตัวอยา่างพิกษูรูปหนึ่งนะก็ได้เรียนและกลาบเรียนแก่ท่านบอกว่าท่านผู้เจริญท่านเจ็บที่ตรงไหน พระเถระก็ตอบว่าผู้มีอายุเจ็บไปทั้งหมดตอนนั้นท่านดิ้งกทรศัพท์กระสายอยู่พ้าก็ไปถามนะหนุบพเถร ะ, ท, ะท่านเจ็บตรงไหนเนี่ยทุกเวทนาที่ท่านป่วยเนี่ยท่านก็บอกว่าเจ็บหมดเลยทีนี้ท้าก็ถามบอกว่า อ, อบอกว่าเจ็บเป็นเวทนานั้นเหนียวอาวัตถุให้เป็นอารมณ์สวยอยู่ ภิกุหนุมก็เรียนท่านบอกว่านับตั้งแต่เวลาที่อยู่อย่างนี้สมควรอดทนหรือไม่สมควรใช่มสมควรจะอดทนหรือไม่สมควรพระเทลรก็ตอบว่ากับผมจะอดทนละผู้มีอายุพิกษุหนึ่งจึงเรียนต่อไปว่าการอดทนต่อเวทนาได้เป็นการประเสริฐแท้บอกดีแล้ว ถ้าท่านสามารถอดทนได้พระเทเรซก็อดทนได้แล้วในขณะที่ท่านอดทนนั้นนะลมก็ผ่านอวัยวะตลอดถึงหัวใจทําลําไส้ทั้งหลายให้ทะลักออกมากองอยู่ที่เตียงพระเทเรซ่าก็แสดงให้ภิกษุหนุ่มรู้ว่าท่านผู้มีอายุการอดทนหลายเนี่ยการอดทนต่างๆเนี่ยได้เนี่ยเป็นปัจจัยให้ลําไส้ทะลักออกมาอยู่ที่เตียงแล้ว พระเทระก็แสดงแก่ภิกษุหนุมว่าท่านผู้มีอการอดทนเวรน า, าได้ถึงขนาด น, นี้จะสมควรหรือยังสมควรหรือยังพระก็นิ่งพระเทระก็เลยประกอบความเพียรเนี่ยประกอบความเพียรที่บ่าว่าเนื้อเละเลือดจนเหือดแห้งจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้ บรรลุคุณวิเศษก็ก็ให้ตายไป น, นี้แล้วท่านก็มาณาสิกานแล้วท่านได้บรรลุอภัพยพรบอรหันพร้พอมด้วยปฏิสัมพิทัศนนี่ปแปล ว, ว่าท่านเอาเวทนาเป็นอารมณ์ท่านวิจัยเวทนาจนท่านเข้าใจว่าวเวทนานั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลจริงเป็นสภาวะธรรมที่มันได้เหตุปัจจัยแล้วมัน ก, มน ก, กน็มันก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นไปเสรนะ็จในี่จริงมันก็พักดันผลักดันแล้วก็ ถักดันลมไส้ทะลักออกมาตึงนี้อันนี้การรู้ชัดเนี่ยเมื่อสุขเวทนาทุกเวทนาก็รู้ได้ฉะนั้นนะตรงนี้ก็คือว่าลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าการกำหนดรอบรู้เวทนานั้น ทีนี้ในคําสอนของพระพุทธมศาสดาพุทธเจ้าก็สอนบอกดูก่อนหนักที่เวสนาในสมัยใดกําลังสวยสุกเวทนาในสมัยนั้นจะชื่อสวยทุกขเวทนาไม่ได้เลยและจะชื่อว่าสวยอทุกสุกเวทนาเท่านั้นดูก่อนหนักที่เวสนาในสมัยใดกําลังสวยทุกขเวทนาในสมัยนั้นไม่ใช่สวยสุขและเวขาเป็นการสวยทุกขเวทนาเท่านั้นเป็นต้นหลือนี้ยท่านต้องการอธิบายให้รู้ว่าเวทนามันไม่ปราปนกัน ถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นแสดงวเวทนาทั้งสองไม่ได้มาเกิดร่วมถ้าทุกขเวทนาเกิด ข, ขึ้นก็เฉพาะทุกเวทนาสนั้นสุขและอุเบกขาก็ไม่ได้มาเกิดร่วมเป็นตน้นการตัดขาดกันของเวทนานั้นนนี่ยเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ในสมัยนั้นจะชื่อว่าสวยเวทนานอกนั้นก็หาไม่ดูก่อนอคิเวทนาเวทนาแม้ที่เป็นสุขก็เป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงใช่ไหมถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดา <l> ดูกอ่อนอคิเวสนาะแม้ทุกขเวทนาทั้งหลายก็นั่นแหละอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมิ่ไม่เที่ยงไงเอาวเวขาเวทนาก็มีความไม่เที่ยงเพราะอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปมีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดาดูกอ่อหนักทีเวสนาะอริยสาวกผู้ได้สัตตัดแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนหน่าย แม้ในสุขเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในทุกขเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในอัตตก็มาสุขเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมทราบชัดว่าเราหลุดพลล้นแล้วเนี่ยชาติสิ้นแล้วประมาจรรันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้เียก็กิจในการที่จะต้องแบกเวทนาต่อไปในสังสารวัตรไม่ เวทนาท่านดับเวทนาท่านเย็นเวทนาท่านสงบเวทนานั้นท่านไม่กาเริบนะ้าทนนี่นั่นในลักษณะอนี้ถ้าเราไปเปิดเจอเราก็จะเห็นทีนี้สุขเวทนาในอามิตรเนี่ยนะในดีกาท่านบอกว่าอามิตรในที่นั้นเป็นชื่อของกรรมะคุณห้าในทีคัิกายในคำทีดีการนั่นบอกเลยบอกว่าคําว่าสุขอิงอามิตรนอิงรูปอิงเสียงอิงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสฉะนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับกรรมคุณ เมื่อใดแสดงว่าเวทนานั้นอาศัยอาศัยวัตถุนั่นแหละแต่เป็นไปกับมิสนี่เราท่านทั้งหลายก็มาสังเกต ด, ดูดีว่าชีวิตของเราท่านทั้งหลายเป็นอย่างเนี้ยอยู่กับพวกนี้ยแล้วก็มันไม่ยอมออกนั้วมันติดเลยยามหวานติดไหมติดกับอมิสไม่ไม่น้อมไปในเนคขมไม่น้อมก็อยู่นเนกขม ใะเราก็เกี่ยวข้องกันอยู่อย่างเนี้ยโดยเฉพาะก็คือว่าเนคขมมะเนี่ยไม่แรงเลยไม่ไม่น้อมออกพูดกันที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือไม่เห็นไม่เห็นโทษของเวทนาฉะนั้นการไม่เห็นโทษของเวทนานี่แหละเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายก็ที่เราเป็นไปในลักษณะนี้ก็้อในการการไม่เห็นโทษของ ข, ของเวทนานี่นี่เป็นนี่เป็นไปอย่างนี้ ฉะนันการไปเห็นโทษของเวทน า, าเนี่ยแหละพอเราท่านเราดูในสูตรในครั้งที่แล้วที่ดูเรื่องของส ก, กัดปัญหาสูตรในส ก, กัดปัญหาสูตรนั้นก็พูดถึงในเรื่องของในเรื่องของกายสมาจารวจีสมาตานและก็ปริเยสนาใช่ไหมที่ควรเสพและไม่ควรเสพอธิบายไปแล้วอินรีย์สังวรคือการสัมรวมอินทรียสรุปในที่นี้ก็คือท่านพูดในเรื่องของปฏิโมกสังวรศีลและก็อินเรียสังวรศี ที่พูดอย่างนี้นะพอพูดถึงในเรื่องของอินทรียสังวรก็คือผู้ที่ควรเสพและไม่ควรเสพก็แปลว่ารูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยตาแยากเป็นสองเสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหูก็แยกเป็นสองกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกรถที่จะพึงรู้แจ้งด้วยทางเลิ้นแล้วก็โภชภัสร์ที่จะพึงรู้แจ้งด้วยทางกายแล้วก็ธรรมารมณ์ที่จะพึงรู้แจ้งด้วยทางใจก็แยกเป็นที่ควรเสพและไม่ควรเสพถ้าเป็นตากับอาลีศก็ไม่ควรเสพแล้วถ้าเป็นไปในเลขธรรมะก็ควรเสพ ทำที่จะพึงรู้แจ้งโดยใจดังที่ได้กล่าวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมทราบเนื้อความภาษิตที่ตรัสในย่อนี้ได้ด้วยพิสดารอย่างนี้ว่า mm. เมื่อบุคคลเสพรูปที่จะพึงรู้แจ้งโดยในตาเห็นปานนั้นอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุธรธรรมเสือ่อมรูปที่จะพึงรู้แจ้งโดยในตาเห็นปานนั้นไม่ควรเสพเป็นต้นเหล่านี้นะแต่ถ้าหากว่าเมื่อบุคคลมา เสพรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยในตาเห็นปาดใดอกุศลธรรมเสื่อมแต่กุศลธรรมเจริญขึ้นรูปที่พึงจะรูร้แจ้งนั้นควรเสบอันนี้อินทรีสังวรเนี่ยถ้าในตามหลักคำสอนท่านบอกว่าไม่ให้โลภะโทสะโมหบุนเข้าสู่กระแสจิตได้หลักมันอยู่ตรงนี้ถ้าปาติโมกสังวรก็คือคำว่าปาตีเนี่ยแปลว่าตกย้นตกไป ตกไปสู่ใบยภูมิเรายังจัดว่าเป็นปาตีไหมเนี่ยปา ต, ปาตีเป็นบุคคลที่ต้องตกไปในใบยูพูมถ้าปิดใบยภูมิได้ก็เหลืออยู่อย่างหนึ่งก็คือตกไปในสงสารวัตรก็ไม่ตกแล้วโอกาสออกจากสังสารวัตร ตรงนี้ก็คือเนี่ยถ้าหาว่าอินทรียสังวรก็เป็นสิ่งที่จะป้องกันบาปได้ละเอียดขึ้นเนาะให้สังเกตดูนะว่าทุจริตทั้งหลายคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหรือสุจริตเนี่ยกายสุจริตวจีสุจริตนัมโนสุจริตเนี่ยมันอาศัยทางตาเกิดได้ทางหูก็ได้ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งที่ได้เคกล่าวบ่อยๆหลายๆครั้งอันเนี้ตรงนี้ก็ไปไขว้นพิจารณาว่าเนี่ยทำที่จะพึงรู้แจ้งโดยใจเองไปนั้นไม่ควรเสพ เป็นเมื่อเสพไปแล้วก็คืออกุปสรรคธรธรมเจริญเนี่ยนะอย่างนั้นก็ไม่ควรเสพกุปสรรธรรมเสพแต่ถ้าหากว่าเสพแล้วกุปสธรรมเสือ่อมอกุปสรธรรมเจริญขึ้นก็ควรเสพท้าสก า, าก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบเนื้อความอย่างภาสิท์ที่ตรัสไว้โดยยอด่อนี้โดยพิสดารอย่างนี้ในข้อนี้ข้าพระองค์ข้ามพ้นความสงสัยและปราศจากท้อยคำเที่ยวพูดอย่างนี้แล้วเพราะได้ฟังการพยากรณ์ปัญหาของพระผู้เยาะนั่นคือข้อที่สิบสอง ส่วนข้อที่สิสามท่านพูดถึงในเรื่องของอเนกธาตุ้าจํานวนมากเท้าสกาจอมเทพก็ชื่นชมภาสิทธิ์ของพระบรมศ า, ศาสดาในปัญหาพยากรเช่นนี้แล้วก็ทูลถามปัญหาของพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์พูดจะเลยพู้ในละทุกสานัพราหมณ์ทั้งหมดมีว่าท่าเป็นอย่างเดียวกันมีศีลเป็นอย่างเดียวกันมีฉันท่าเป็นอย่างเดียวกันมีความปรารถนาเป็นอย่างเดียวกันหรือ no พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อน จอมเทพสนับพรามณ์ทั้งหมดมีวาทเป็นอย่างเดียวกันมีศีลเป็นอย่างเดียวกันมีฉันทาเป็นอย่างเดียวกันมีความปรารถนาเป็นอย่างเดียวกันหาไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดจึงไม่มีวาทอย่างเดียวกันไม่มีศีลเป็นอย่างเดียวกันไม่มีฉันทาเป็นอย่างเดียวกันไม่มีความปรารถนาอย่างเดียวกันพระบรมศาสดาก็บอกโลกธาตุเนี่ยมีมากโลกนมีธาตุเป็นอันมากมีธาตุต่างกัน ในโลกที่มีธาตุต่างกันมีธาตุเป็นอันมากนั้นสัตว์ทั้งหลายก็มีธาตุต่างๆกันนะมีความยึดมั่นในธาตุนั้นๆต่างๆกันด้วยเรียวแรงและความยึดมัน่นยึดถือกล่าวคือสิ่งนี้นั่นแหละจริงสิ่งอื่นเปล่าเพราะเหตุนั้นสมณะพราหมทั้งหมดจึงไม่มีวาทธาเป็นอย่างเดียวกันจึงไม่มีศีลเป็นอย่างเดียวกันจึงไม่มีฉันทะและไม่มีความปรารถนาเป็นอย่างเดียวกันทําไมถึงเป็นองนั้นเขาเรียกว่าบางครั้งบางคนก็มีโลหะธาตุใช่ไหม บางคนก็มีโทสะธาตุบางคนก็มีโมหะธาตุบางคนก็มีมานะทิฏฐิวิจิตริชัยยิาา้นธิกานอดถวายและอุทธธัจจะอีกเยอะแยะหมดดัง น, นสัตว์ทั้งหลายที่มีธาตุต่างกันเนี่ยเมื่อมีธาตุต่างกันมีความคิดต่างๆกันออกไปจะมีศีลอย่างเดียวกันได้ยังไงแล้วจะมีฉันทาอย่างเดียวกันได้ยังไงใช่ไหมถ้าคนที่มีชั้นธาที่เป็นไปกในกุศลเขาก็น้อมไปในกุศลถ้ามีฉั้นธาที่เป็นไปในอกุศลก็น้อมไปในอกุศล ในบรรดาอกุศลนั้น่ะฉันท้าก็มีทั้งเยอะแยะบางคนมีความปรารถนาฆ่าไหมบางคนก็มีปรารถนาในการลากักบางคนก็มีความปรารถนาในการบุพเพปิฏฐในการมอยูเยอะแยะหมดเลยสัตว์มีทา่ามีความคิดแตกต่างกันสารพัดเลยอเอาแล้วต่างกันไหมที่นั่งๆั่งกันอยู่เนี้ยมีทาตต่างกันด้วยเนี่ยคนละมุมคนละคิดเลยเนี่ยคนละคนคนละความคิดเลยเนี่ยค้าน อ, อกตามกันมายังคิดเป็นคนละเรื่องเลยและในเรื่องเดียวกันยังคิดคนละมุมเลย เนี่ยพอพูดเรื่องเวทนานี่นะพอม า, มาพูดเรื่องเวทนาปุ๊บเนี่ยทุกคนจะนึกถึงเวทนาต่างกันเลยพอบอกว่าพูดถึงบอกว่าให้กําหนดรอบรู้เวทนาบางคนก็กําหนดด้วยโลภะบางคนก็กําหนดด้วยโทสะโมหะบางคนกําหนดด้วยกุศลฉะนั้นสัตว์มีธาตุต่างกันเยอะบางคนเข้าใจกรรมธาตุใช่ไหมทั้งกุศลธาตุก็มีอะกุศลธาตุก็มีโลภะธาตุก็มีใช่ไหม อาโลภาธาต์ก็มีโทสะธาต์ก็มีอาโทสะธาต์ก็มีโมหะธาต์ก็มีอาโมหะธาต์ก็มีนั้นสัตว์ทั้งหลายนั้นมีธาตุแตกต่างกันมีความคิดแตกต่างกันฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงบอกเมื่อมีธาตุแตกต่างกันมีความคิดแตกต่างกันมีความยึดถือแตกต่างกันเลยไปคนเรื่องเป็นไปคนละมุมมองเลยคุยเรื่องเดียวกันเชื่อไม่คิดกันคนละเรื่องเนี่ยในขณะที่พูดเรื่องเดียวกันเนี่ยนะ ในหลายคนเนี่ยคิดคนละเรื่องไปเลยเนี่ยนี่ก็คาดมันต่างกันอัธยาสัยมันต่างกันแม้เนี่ยเข้ามาสู่ในพระทวีไนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เคยยกตัวอย่างอ ย, ย่างไรว่าพระเนี่ยบางทีท่านเคยชี้ให้ภิกษุทั้งหลายได้ดูตอน เ, เช้าเช้าเนี่ยถ้าท่านออกเดิเดนโยงกลมเนี่ยและในขณะที่ไปเดินยงกรมก็เดินในคนละกลุ่มละกลุ่มมีกลุ่มของท่านพระสารีบุตรกลุ่มของพระโมคคัลลานนะกลุ่มพระมหากรส กลุ่มบ้านนานทพระนรุธาใช่ไหมพระมหากระสมกลุ่มของพระเลวะตากลุ่มว่านลาหุนเป็นต้นเยอะแยะหมดเลยนะเบ็ดเสร็จแม้แตถึงกลุ่มพระเลวทัศน์เนี่ยพระเจ้าก็บอกเห็นไหมว่าสัตว์มีท่าต่างเนี่ยตระยาสายที่แต่งการคนที่ฝักใฝ่ในเรื่องของปัญญานี่นะในเรื่องของปัญญามากต่างๆเดินตามภาษาลิบุรเบนแถวเลยคนที่ฝักใฝ่ในทางด้านของอิทธิฤทธิทั้งหลายก็เดินตามพระโมกลานะ พระที่ประเภทที่โทษดวงคุณทั้งหลายนี่ช่ำชองในดวงคุณทั้งหลายก็เดินตามท่านบะมบาลเกษตรพระที่ทรงวินัยทอทั้งหลายก็ตามพระบาลีนี่นะพระที่ประเภทที่น้อมมากชำนาญในเทปไปจากหูมากก็ตามๆๆพระนุรุทธะพระที่ชอบอยู่ป่าอะไรต่างๆเหล่านี้ก็พระเลวะต่างนี่เป็นต้นแล้วเนี่นะหรือพระที่เป็นประเภทที่ทรงชอบจําคําสอนมากต่างๆนี่ก็ตามพระนนเนี่ยนะพระรามกก็ตามพระเทวทัตนี่มันจะมันจะต่างกันอย่าง นี่เท่าธาตุมัต่างกันในบรรด า, าธาตุที่ต่างกันนี่ก็ยังไปแยกาธาตุละเอียดต่างกันอีกเนี่ยเอาในบรรดาคนดีเนี่ยก็ยังไปแยกจุดดีต่างกันอีกเนี่เอาอย่างกลุ่มฟังว่าทำเนี่ยอย่างเราเนี่ยจะบอกว่าธาตุเหมือนกันมไหมเอาบางคนฟังทำเนี่ยบางคนชอบฟังด้วยโลภะจิตก็ได้เนะียบางคนฟังได้โทสะจิตฟังได้โมหะจิตบางคนก็ฟังด้วยด้วยศรัทธ า, าบางคนก็วิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันแล้วแต่ใช่ไหม แล้วแต่สภาพของอะไรมันจะแรงตอนนั้นน่ะต่างกันมากคนละธาตุเลยบางคนฟังทำนี่เลยหลับทุกทีอันนี้ก็เรียกผีนะมิทาธาตุธาตุาที่ท้อถอยดรอลมเร็วมากคือฟังแล้วมันจะตกร่องนี้อยู่เรื่อยเลยน่ะฟังคือแล้วมันดีอยู่อย่างก็ว่างั้นนะถ้าไ ด, ได้ได้ฟังว่าทำแล้วมันทําให้หลับนะ ก็ง้นมันนอนไม่ค่อยหลับเคยเป็นแม้แ่นอนไงก็ไม่ค่อยหลับพอฟังธรรมันก็ยังช่วหลับได้วาบเลยแปลกดีมีคนหลายคนเนี้ยก็บอกเขาเขาพูดถึงะถึงอรงอะไรด้มาเนี่ยดียังไงท่านพูดเนี่ยว่าไงถามเป็นไงพอฟังแล้วหลับดีก็ตายะก็ดีกยอมเม่ไปโลกประสาทคนไม่หลับโลกประสาทกินเลยเอ้ก็ก็เป็นเรื่องที่แปะ ฉะนั้นในกรณีอย่างนี้ท่านจึงบอก ว, ว่าสัตว์ทั้งหลายมีธาตุเป็นอนเนกมีโลกอ ะ, ะ ม, มีมีโลกมีธาตุนั้นมากสัตว์นั้นมีธาตุเยอะแยะคือจิตและเจสิกทั้งหลายเรียกว่าธาตุหมดแหละเป็นธาตุเพราะสภาพที่ทรงไว้ต่างๆเราเนี้ยนะประการต่อมาก็คือข้าแต่พระองค์ผู้ในบรรทุกสมณพราหมณ์ทั้งหมดมีความสาเร็จล่วงส่วนเนะนะ มีความเกษมจากโยคะร่วงส่วนมีพรหมจรรย์ล่วงส่วนมีที่สุดร่วงส่วนหรือหนอพระพุทธเจ้าดูก่อนจอมเทพสมณพราหมณ์ทั้งหมดมีความสําเร็จร่วงส่วนมีความเกษมจากโยคะร่วงส่วนมีพรหมจรรย์ล่วงส่วนมีสุดร่วงส่วนถามมีได้บอกว่าสัตว์จะไปพ้นทุกข์ได้เหมือนกันทั้งหมดได้ยังไงใช่ไหมสัตว์ที่มีธาตุไม่ดีพ่อเพยียดลายสมณพราหมณ์ทั้งหมดจึงไม่มีความสําเร็จเพราะโดยตรงก็คือพ่อเหยียดลายสัตว์ทั้งหลายจึงไม่บรรลุกันทั้งหมด ทำไมจึงไม่ไปรู้ทั้งหมดไม่มีความสําเร็จจายโยคะร่วงส่วนไม่มีพรหมจรรย์ร่วงส่วนไม่มีที่สุดร่วงส่วนพิสูรเราใดน้อมไปแล้วในธรรมชาติที่สิ้นตัณหาพิสูรเหล่านั้นมีความสําเร็จร่วงส่วนมีความเกษมจากโยคะร่วงส่วนมีพรหมจรรย์ร่วงส่วนมีที่สุดร่วงส่วนเพราะเหตุนั้นสมณครามทั้งหมดจึงไม่มีความสําเร็จร่วงส่วนไม่มีความเกษมจากโยคะร่วงส่วนไม่มีพรหมจรรย์ร่วงส่วนไม่มีที่สุดร่วงส่วนคือ ถ้าใครน้อมไปในพันิพานเข้าใจในพันิพาลถูกมีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงพันิพาลได้ถูกต้องจเจริญตามหลักอริยมรรคโยงแปดได้ถูกต้องนะแล้วเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วเดินตามทางสายเอกยันโนย่างพิเกวีามะโกล ด, ดูก่อนพ่สูจทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเองเดินได้อย่างชัดเจนและถูกต้องอ่ะบุคคลเหล่านั้นจะสําเร็จล่วงส่วนคือจกกะเกษมจากกรมมโยคะเวะโยคะทิถิโยคะแล้วก็อวิชายโยคะ เข้าใจกันว่ากรรมม า, ารไม่โยคะหมเข้าใจไหโยคะเนียเขาเรียกเครื่องประกอบสัตว์โลพ้าเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ประกอบสัตว์ให้ติดไว้ติดในภพมันดึงไว้เหมือนอะไรดีเหมือนโซ่อ่ะผูกคอมัดล่ามติดกับเสาก็ไว้มันไปได้ไวไหมไปไม่ได้อีกมันดิ้นออกไม่ได้ โยคะตัวนี้ประกอบสัตว์ไว้อย่างเนี้ยพบความยินดีเพลิดเพลินแล้วพอใจในพบเนี่ยมันทําให้สัตว์นั้นออกจากพบไม่ได้ออกจากกรรมวาพบไม่ได้ออกจากรูปประพบไม่ได้ออกจากอรูปประพบไม่ได้ออกจากสัญญีพบก็ไม่ได้ออกจากอสัญญีพบก็ไม่ได้ออกจากเนยว่าสัญญีนาสัญญีพบก็ไม่ได้ออกจากเอกาวโอการพบได้ไหมพบที่มีขั้หนึ่งไม่ได้อีก ออกจากจะตัวโกระพอพบที่มีขันสี่กไม่ได้ออกจากปัญเจโววกระพพบที่มีขันห้าก็ไม่ได้ไอตัวนี้เป็นตัวภาวะโยคะมันก็ยึดให้สัตว์นั้นติดอยู่ในพบยอยมองคลติดไหติดอยู่ในพบใช่ไหมถ้าวันใดวันหนึ่งเขาบอกว่าลุงสงสัยจะไม่ได้อยู่ในพบนี้แล้วเนี่ยคงจะอีกไม่กี่วันเนี่ยจะเสียใจไหม ยิงหนึ่งเสียใจหนึ่งแล้ว้าบอกว่าถ้าไปพบหน้าจะไม่ได้ดีแบบนี้อีกแล้วถ้ามีประโยคนี้ต่อมาว่างไงโอกาสจะเป็นมนุษย์ได้เฉพาะพบนี้เท่านั้นเองพบต่อไปนี้จะลงต่ำแล้วนี้เสียใจไหมยอย่างนี้จะเสียใจ มันเสียใจเลยอย่างนี้ใช่ั้ยจ๊ะคือรักษาสถานะไม่ได้คือคือโดยโดยหลักการโดยเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นถ้ามามองอย่างนี้แล้วน่าน่าน่ากลัวจริงเรามาเคยนั่งคุยคุยกันกับพ้ะก็คุยบอกว่าเนี่ยเรารามาในพบเนี่ย คือสิ่งที่เราสิ่งที่เราน่ากังวลมากที่สุดคืออะไรสิ่งสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคืออะไรรู้ไหคือหนึ่งละกิเลสไม่ได้สองคติในภพหน้าไม่แน่นอนหน้ากลัวอยนี้แล้วแล้วไม่มีใครช่วยเราได้เลยเนี่ยแล้วที่ที่ที่ประหลาดที่สุดก็คือว่าอย่างที่พระเจ้าว่า สัตว์โลกนี่อยู่ด้วยโมหะแท้คือตาบอดใช่ไหมบอดที่ที่ไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนเมื่อไหร่อย่างไรโลกอะไรบ้านในบ้านนอกบ้านเป็นต้นตายแล้วไปไหนไม่รู้เรื่องเลยนี่คือตาบอดหมดแล้วแต่ขนาดตาบอดนี่นะยังยังยิบได้อะยังสนุกสนานได้ยังล่าเริงได้คือไปไหนมาไหนยังสนุกสนานคุยกันแบบไม่เดือดร้อนใจเลยอ โอ้โอย่างนี้ปิดมากเลยนะตัวโมหะนี่ยปิดมากๆเลยถ้ามองอย่างนี้เราจะนึกโอ้โห โ, โ, หโมหะนี่แรงดีแท้มันทําให้ตาคนที่บอดแล้วไม่รู้ภัยที่จะมาเยาะเย้ยหน้าเลยที่พระพุทธเจ้าอุปมาตั้งหลายครั้งย้อที่ว่าเหมือนไก่อยู่ในสุมรถเขาก็ลากเห็นใบดียาไปฆ่ามันอยู่ด้วยกันกับจิต ก, กันก็ไม่รู้ มันไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็จะไปเชือดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ทรงทรงทรงอุปมาว่าเราเป็นแบบนั้นเป็นไก่ในสุ่มแล้วขนาดว่าพระพุทธเจ้าบอกเป็นไก่ในสุ่มแล้วก็เอ๊ะไม่เห็นเป็นไรเลยเอาเคยเคยคิดสะดุ้งสเสือเืินไหมเฮ้ยก็เป็นไก่ในสุ่มไม่จะทํายังไงได้เดี๋ยวก็ต้องตายเพราะไม่มีปัญญาในการที่จะทําอย่างอื่นทุกอย่างก็ต้องต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยว่างั้นนะ ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็เลยมันนึกอุประหลาดแทนนช่เอาถ้าคนมีปัญญาจริงๆเนี่ยเขาได้ยินแค่นี้เขานอนไม่หลับแล้วเราเคยไห้ว่าพอได้ยินในลักษณะนี้กลับไปเรารู้สึกเรานอนไม่ได้เลยยอมนอบเป็ น, นพอทำท่าหายมาอีกก็มัประมาดีแรงคนนี้ให้ตัวมออาหาอีแรงหนึ่งแรงมากเลยเนะี่ยตรงนี้ก็ก็ไปคิด ก็ไปคิดว่าอะไรมันเกิดขึ้นเห็นไหมโทษของการขาดโยนิสงฆ์มนสิกาเนี่ยเดียวเงินมาแล้วก็ไม่ใช้สัทีอพอรู้อีกทีวยามาเลงกินตายแล้วเห็นไหมเขาก็แกก็คงไม่รู้ถ้ารู้แก ค, คงว่าเดี๋ยวต้องใช้นี่ใช้สินต้องให้เสร็จก่อนใช่ไหมนั่นก็เป็นพาล่าต่อไปในสังสารวัตรตรงเนี้ยเออเราก็ล้องมานั่งคิดตรงเนี้ยถ้าบอกว่าโอในกรณีที่พิสูจนเราใดน้อมใจไปในความสิ้นตัญหา ตรงนี้การน้อมไปใน ล, ะะลักษณะนี้ก็ต้องอธิบายอีกยาวเลยที่เรียกปริจารคาวสขะปะขันธ์นะวสคะนั่นแหละก็ไปเชื่อมโยงตรงนั้นแหละให้สังเกตดูนะว่าบุคคลที่เขาน้อมในการที่จะเห็นภัยในสังสารวัฏเนี่ยให้สังเกตดูพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยใจท่านยาน้อมในการที่จะบริพานในรุนแรงมากเราก็ลองมาพิจรารณาโดยเราท่านทั้งหลายนะ ในขณะที่จิตของเราท่านทั้งหลายเนี่ยจิตแล่น้อมไปในความสิ้นทุกเนี่ยน้อมไปในการที่จะตัดสังสารวัฏน้อมไปในการที่จะพ้นจากการเวียนว่ายใจเกิดมันแรงไหมการให้ทานการรักษาศีลการเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเนี่ยจิตที่น้อมไปจริงๆเนี่ยมันน้อมไปเพื่อจะจริญนิพพานจริงหรือเปล่าน้อมไปที่จะออกจากสังสารวัฏออกจากตาอหูมจมูกลิ้นกายใจไหมถ้ามันน้อมไปในลักษณะนี้แสดงให้เห็นชัดว่าความสําเร็จร่วงส่วนเนี่ยมีโอกาส แต่ถ้ า, ามันน้อมไปแบบผิดๆเนี่ยนะไปเข้าใจผิดเนี่ยนะไปคิดว่าธรรมชาติที่เป็นสถานที่เป็นต้นหรือไปเข้าใจว่าตัวกรรมคุณเป็นนิพพานปฐมฌานเป็นนิพพานทุตยิยฌานตัฏฐิฌานจตุติฌานเป็นต้นเป็นนิพพานไปเข้าใจสภาวะของนิพพานผิดอย่างนี้มันน้อมไปเหมือนกันแต่ไปสําเร็จแต่มันไม่ร่วงมันไม่เพราะจริงหรอกสัตว์โลกก็เข้าใจผิด ฉะนั้นอย่าแปลกใจนะว่าสัตว์โลกทำไมจึงบางท่านเข้าใจผิดบางท่านเข้าใจถูกในพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้มีท่าตต่างกันเมื่อมีท่าตต่างกันบางคนก็น้อมไปในโลภะก็ไปเข้าใจว่าเอานี้เอาโลภ ะ, ค, ะความสิ้นทุกข์ไปเปรียบเทียบกันว่ามันจะต้องคล้ายกับโลภะนี่แหละบางพวกก็เป็นกลุ่มโทสะบางกลุ่มก็โมหะเป็นต้นเหล่าเนี่ย สัตว์โลกที่หนาแ น, น่นด้อากุตโธรรมบรรลามกทั้งหลายก็เลยไปเข้าใจสภาวะพระนิพพานที่ผิดพลาดเหมือนบางคนที่เต็มไปด้วยมิจฉาทิฐิใช่ไหมก็ไปเข้าใจสภาวะหรือการบุพเพติบัติที่ผิดพลาดก็ว่ากันไปแต่อย่างเราท่านทั้งหลายทั้นบอาต้องศึกษาคําสอนนี่เป็นไปตามลําดับจริงๆว่าการจะสําเร็จร่วงส่วนในพระธรรมคําสอนพระเจ้านั้นท่นนใจนั้นต้องน้อมไปในการสภาวะธรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทันหาจริงๆเพราะสภาวะของพระนิพพานนั้นต้องเป็นภาพที่พ้นจากการเกิด พ้นจากการแก่พ้นจากการเจ็บพ้นจากการตายพ้นจากความโศกความลำเลาอันนั้นก็ไปไล่าตามลำดับไปทีนี้ประการต่อมานะเวทนานุปัสนาในสี่ประฐานที่ท่านเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือว่าอิติอชิตังวาเป็นต้นด้วยการกําหนดเวทนามีความมีสุขเวทนาเป็นต้นภิกษุนี้เป็นผู้ชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายของตนเองบ้าง เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายของบุคคลอื่นบ้างเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายของตนและของบุคคลอื่นตามค่าวเป็นต้นบ้างเนี่ยนะในพระบาลีที่ท่านใช้คําว่าสมุทยะธรรมานุปัสสีวาเนี่ยท่านผู้ใไขทราบภิกษุไปพิจารณาเห็นความเกิดและความดับของเวทนาทั้งหลายโดยการห้ามีอวิชชาเกิดเวทนาก็เกิดสัณหาเกิดเวทนาก็เกิดกรรมเกิดเวทนาก็เกิด แล้วก็ผัสสะเกิดเวทนาก็เกิดแล้วก็การเกิดขึ้นของเวทนาเวทนาก็เกิดใช่ไหมในขณะที่เวทนาอาการที่เวทนาเหล่านั้นเกิดทั้งหมดเน่ยเรียกว่าเวทนานเกิดทั้งหมดนะนะเนี่ยถ้าตัณหาดับเวทนาดับอวิชชาดับเวทนาดับกรรมดับเวทนาดับผัสสะดับเวทนาดับเมื่อการดับของเวทนาเป็นไปทั้งหลายอย่างนั้นเวทนาก็ดับใช่ไหม ถามว่าปัจจัยเนี่ยสําคัญมากทีนี้ถ้าตอบว่าให้พิจารนาอย่างเี้ยบ้างโอตุเนี่ยถ้าโอตุระดับยี่สิบห้าองศาเซลเดับเวทนาแล้วอย่างนี้ก็จะดับเข้าใจไหยถ้าหากว่าโอตุระดับยี่สิบห้าองศาเกิดขึ้นมาปุ๊บเวทนาก็เกิดนี่เวทนาประเภทนี้ก็เกิดถ้าตอนนี้สุขเวทนาเกิดใช่ไหมลองปิดแอร์ดิสุกเวทนาดับไหมเพราะอะไรดับ เขาอุต de ูด de ับเวทนาจึงดับนี่เข้าใจยังนี่มันจะเป็นอย่างนี้นั้นถ้าเฉดเกิดเวทนามันเกิดเฉดมันดับเวทนามันดับก็ไปดูปัจจัยทุกปัจจัยเป็นอย่างนี้เวทนาสายกรรมเป็นปัจจัยด้วยอาศัยจิตเป็นปัจจัยด้วยอาศัยอุตูเป็นปัจจัยด้วยอาศัยอาหารเป็นปัจจัย